พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพระคุณของบิดามารดาวัดของหลวงพ่อพระจำพรรษาทั้งหมด35รูป วันนี้ลงมาฉันยี่สบสามรูปงดฉันสิบสองรูปมีนากนากที่จะบวชอีกสองคนเตรียมที่จะบวชในพรรษาบวชได้ไหมหลวงพ่อพวกเราก็คงจะถามในใจเพราะพวกเราไม่เคยบวชบางทีอาจจะมีลูกมีหลานอยากจะให้บวช บวชในพรรษานี่ได้ไหมในพระวินัยพระพุทธเจ้าอนุญาตสมัยหนึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาอุปธรมรมปฐากวัดหลานชายหลานชายอยากจะบวชไปหาพระขอในมนพระคุณเจ้าเอาหลานชายบวชบวชให้ด้วยเถิด เขาอยากจะบวชพระสงฆ์ก็เลยบว่าิยาเลยอุบาสิกาเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตในการบวชกลางพรรษาในพรรษาถ้าหากว่าอาตมาพวกอาตมาบวชพระในกลางพรรษาเดี๋ยวจะจะเป็นต้นบัญญัติต้นบัญญัติคืออะไรครับภิกษุใดก็ตามบวชกุลบุตรในพรรษาทาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ปรบปาบอาวัตรลักษณะอย่างนั้นอ่ะพระก็กลัวอย่าให้อัตมาบวชเถอะเพราะว่าอัตมากลัวเป็นตนบัญญัตินางวิสาขาก็เลยเอาหลานชายกลับไปพอกลับไปทีนี้หลานชายก็เลยเปลี่ยนใจไหมพอออกพรษาแล้วไม่บวชคงจะติดสาวเชอมั้งไม่บวช พอไม่บวชนางวิสาขากเสียความรู้สึกว่าหลานตัวเองเนี่ยอยากจะบวชในช่วงนั้นพระสงฆ์ท่านก็ว่าไม่ให้บวชเพราะว่ากลัวจะเป็นต้นบัญญัติก็เลยไม่ได้บวชแต่พอออกพรรษาแล้วก็จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้บวชไม่บวชไม่อยากบวชนางวิสาขาเสียโอกาสก็เลยเข้าไปกราบ พระพุทธเจ้าหม่อมฉันขอประทานพรจากพระพุทธองค์ด้วยเทินข้าคุณระบุตผู้ใดอยากจะบวชในพรรษาขอพระพุทธองค์จงประทานพระเมตตาให้ลูกหลานได้บวชในพรรษาด้วยเทินเพราะว่าหม่อมฉันเนี่ยได้เอาหลานจะมาบวชก็เลยเปลี่ยนแปลงไป ก็ไม่รู้จะทำยังไงเสียโอกาสเสียความรู้สึกศรัทธาพระพุทธองค์ลับนะจากนั้นท่านก็พระพุทธองค์ก็ประชุมส่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุลบุตรผู้ใดอยากจะบวชในพรรษาถ้าว่าเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มีศรัทธาเจตนาดี เป็นผู้ตั้งใจให้พระสงฆ์บวชให้ได้ถ้าภิกษุใดไม่รับบวชคุณบุตรในกลางพรรษาปรับอบัตทุกกฎเป็นอย่างนั้นไปอีกทีนก็เลยคุณบุตรลูกหลานที่อยู่พร้อมที่จะบวชได้ถูกตามหลักพระธรรมวินยัยวัดหลวงพ่อก็ต้องรับไว้ เพื่อบวชถ้าหาว่าเป็นพระหรืเป็นผู้ตั้งใจเว้นเจีแต่บวชเพียงโชวครั้งโชวครขาว5วันเจ็ดวันพอมาฝึกขาหนักก็ใช้เวลาต้องนมนานพอฝึกขาหนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เท่าไหรก่ก็ลายซึกขาท่านไม่คุ้มค่ากันทําให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เขามาบวชตั้งใจเพื่อการศึกษาเพื่ออยากจะเรียนรู้เอาเขามาบวช ตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ยังค่อยว่ากันแต่ถ้าหากว่ามาบวชเพาะประเดี๋ยวประดาเนี่ยเอามาจากที่อื่นถ้าบวชมาจากที่อื่นเอาเราไม่ว่าแต่ถ้ามาบวชที่นี่โอ้ยมันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าในการเตรียมการบวชจัดบวชมันใช้เวลาน้อยเกินไปสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดกันอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะจะบวช ป, ปรับมากระบวชได้ทีเดียวไม่ใช่ แต่ขนาดเราจะจะบวชฟักแฟนบวชกล้วยน้ำว้าบวชมันสำปะหลังเราก็ยังเตรียมกระทะเตรียมฟืนเตรียมกะทิเตรียมมะพร้าว เ, าเตรียมเครื่องของหวานอุปกรณ์ในการจะทำจะบวชจะบวชกล้วยน้ำว้าบวชมันสำปะหลังบวชมันเทียน เราก็ยังเตรียมของอุปกรณ์ใช้เวลานานพอสมควรบวชพระทั้งองค์จะทำบรรลุปรุปรับได้หรอต้องต้องเตรียมต้องพร้อมให้สกกะก่อนยังค่อยบวชบวชแบบสุกเอาเผากินบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อะไรบวชเข้ามาไม่ได้อะไรบวชเข้ามาแล้วก็เพ่นอีกเผลเผอย่างไปตำหนิด่าพระอีกต่างหากเพราะระนี่เรียนไม่ได้ศึกษาพระอยู่ในวัดนี่ พอกลางวันมาต่างคนก็ต่างเงียบเดินก็เดินมันโลดเดินไหลเดินหยอกหยกแจกแเดินกลับไปกลับมาเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเงียบของใครของเราไม่ได้ทําอะไรเลย อ, อยู่ในวัดเพราะอะไรเพราะเขามาได้ศึกษาเขาว่าบวชเข้ามาแล้วจะให้ทําอะไรจะไปฝึกในการเกษตรเหรอแล้วฝึกในการบัญชีหรือว่าเรียนกฎหมายเลือนทําอะไร จะให้ทําอะไรพวดเข้ามาเพราะไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านออกไปจากเวียงวังไปอยู่ในป่าทั้งหปีอยู่ในป่าอิสิปตนะฝั่งแม่น้นํามโนมาได้ทีไปอยู่ทั้งหปีพระพุทธองค์ทําอย่างไรทําอะไรทั้งเดินทั้งนั่งทั้งกําหนดทั้งอดภัคยาหารตามลําพัง ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดถึง6ปีจึงได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าได้มาถึงพวกเราเราก็ได้ศึกษาพอฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้าไปกุฏิกลับไปนั่งขัดสมาธินั่งภาวนาดูตัวเองเรื่าจะอ่านหนังสือทองหนังสือหรือฟังเทศฟังการอบรมในเอ็พีสามในเทศเปิดค่อยๆเบาๆฟัง เพื่อให้เรียนรู้เพื่อการศึกษาจากนั้นก็ลงมือปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็เดินโยงกลมดูการเคลื่อนไหวในจิตใจของตนเองวันนี้เราคิดเรื่องอะไรมันมีปัญหาอะไรมันทุกข์ใจเรื่องอะไรมีอารมณ์โกรธโมโหโกรธาเรื่องอะไรดูใจของตนเองนี่แหละที่ทำงานของพระกรรมฐานไม่ใช่ที่อื่นนะดูที่ใจ ปลดที่ใจปล่อยวางที่ใจให้รู้แจ้งเห็นจริงที่ใจนี่แหละอันนั้นแหะคืองานของพระนะไม่ใช่ถือจอบถือเสียมไปขุดทำการทางานทั้งวีทั้งวันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่งานของพระนะแต่ว่ามันก็ต้องเกี่ยวข้องกันเราจะไม่ทำอะไรอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะเราอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเราก็ต้องดูแลกันนี่แหละ อันนี้ก็คือวิถีชีวิตของพระนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้คณะสัตยาญาติโยม ล, ลูกหลานได้ฟังออลูกหลานก็คงจะไม่เข้าใจเรื่องของพระกรรมาฐานนะวันนี้เป็นวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2 5งราิวันพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติวันพรุ่งนี้หลวงพ่อคงจะได้เข้าไปบ้านตาด เพราะว่าเป็นวันเกิดขององค์หลวงตาเหมือนกันตรงกับวันพระบรมราชินีแต่ถึงหลวงตาจะจากไปสิทธาอนุสิทธิทั้งหลายก็ยังให้ความเคารพรักในองค์หลวงตาประกาศเข้าไปให้ไปร่วมกันแสดงออกซึ่งสักการะก็คือทรรมวัดสักการะดอกไม้ทูปเทียนเพื่อเป็นอามิชบูชา ในองค์หลวงตาวันที่12สิงหาวันพรุ่งนี้คงพ่อคงจะได้ไปเข้าไปพร้อมกับพระสงฆ์พวกนั้นพี่น้องศรัทธาญาติโยมในละแวะกอุดรจะเข้าไปทาบุญที่วัดป่าบานตาดก็ได้นวันที่12สิงหาตักบาตรตอนเช้าแล้วก็คงจะมีพิธีทอดผ้าป่าสร้างพระเจดีย์ ด้วยก็ไม่รูนะ้เดี๋ยววันนั้นค่อยว่ากันแต่เจดีของหลวงตาก็กําลังขยับอีกเพราะสังงักมาเกือบนานพอสมควรเดี๋ยวนี้กาลังขยับอีกก็คือพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรลูกทูลกระหม่อมควายหญิงจุราพรท่านเสด็จมากับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ออกแบบ มาที่วัดป่าบัานตาตดท่านเสด็จมาตั้งแต่วันที่3 3 ส, สิงหาแล้วก็วันที่4ท่านเข้าไปพบเจ้าอาวาสแล้วก็ไปดูพื้นที่เป็นดูตรวจตราดูพื้นที่ที่จะสร้างพระเจดีย์วันที่4วันที่5ท่านเขาไปดูอีกรอบอันนี้ไปคล้ายๆกัน ไ, ไปหาจุดสถานที่ว่าจะหันหน้าหันหลังไปทางไหนพระเจดีย์ แล้วก็วันที่หนะท่านก็เสด็จมาที่พัตป่านาะคำน้อยของเราเห็นรูปของพระองค์ท่านอยู่ที่หน้าวัดนะ่ะท่านเสด็จมาประมาณสัก5้าโมงกับหโมงเย็นมาท่านก่อนนะมาปาราบเรื่องพระเจดีย์ขององค์หลวงตานะ่นะคิดว่าต่อไปนี่ก็คงจะขยับทา ขันไม่มีอุปสรรคอะไรก็คงจะเดินหน้าไปเรื่อยๆเนระื่องเจดีของหลวงตานะี้มาพูดเกี่ยวกับวันแม่นะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญเรื่องแม่เรื่องพ่อนะชาติไทยของเราวันที่5ทธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่12สสิงหาเป็นวัน เกิดวันสมภพของพระบรมราชนีเราก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติคือตามไม่จริงพ่อแม่เป็นบุพก า, ารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาเป็นอาจารย์คนแรกเราเกิดมาเรายัางไม่รู้เดียงสาภาวะพ่อแม่ต้องสอนก่อนเพื่อนสอนก่อนใครอื่นทั้งหมด พอพ่อแม่อุ้มลูกดื่มอย่างนี้นะกินอย่างนี้นะตรวจตราดูลูกตนเองดูสุขภาพดูทุกสิ่งทุกอย่างของลูกของตอนเองจากนั้นพอรู้เรียงสาภาวะบางพ่อแม่ก็พออยายามสอนลูกของเราพูดได้หรือเปล่าพูดเป็นภาษาคนหรือเปล่าอันนี้ก็วิตกกังวลไม่ใช่น้อยเหมือนกันกลัวลูกของตอนเองพูดไม่ได้พูดไม่เป็น เพอพูดติดอ่างและลักษณะย่านน่ะไอ้พ่อแม่เนี่ยเป็นพุกกับลูกของตนเองเหมือนกันกลัวลูกของเราจะผิดปกติจากนั้นก็เดินได้หรือเปล่าก็พยายามฝึกหัดให้เดินใ ห, ให้เดินให้พูดจากนั้นพอพูดได้ไ อ, อ้พ่อแม่ก็ดีอกดีใจในระดับหนึ่งก็พยายามสอนให้ลูกเรียกคุณแม่เรียกพ่อเรียกแม่เรียกพี่ป้าน้าอาออนี่แหละสรุปแล้วก็คือพ่อแม่ เป็นบุคพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดาลูกชายลูกสาวของตนเองจากนั้นก็สอนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงวิธีการอยู่การกินการหลับการนอนอการใช้นุ่งห่มผ้าการเรียกพี่ป้าน้าอาทุกอย่างออกจากนั้นก็เห็นว่าพ่อแม่ เพียงพอที่จะสอนขนาดนี้ได้ก็ส่งเข้าโรงเรียนเลยโรงเรียนอนุบาล เ, เด็กปเด็กเล็กทุกวันในอายุสองปีเขาก็ให้เรียนแหละส่งไปเรียนต้องมีพี่เลี้ยงไปด้วย เ, เพื่อให้ดูแลลูกหลานเว้นเสียแต่พ่อแม่ยากจนก็มีแต่ไปส่งฝากไว้กับครูให้ครูเป็นผู้ดูแลถึงยังไงก็ต้องไปรับไปส่งต้องใส่ใจพอลูกไปโรงเรียน จากนั้นก็เข้าอโรงเรียนอนุบาลอโรงเรียนประชาบาลอนุบาลแต่ถต่อไปก็เข้าปถมปถมมัธยมาจากนั้นก็เรียนปริ ญ, ญาตรีโทเอกแต่ถึงยังไงพ่อแม่ก็ต้องให้การศึกษาให้ทุนการศึกษาดูแลแต่บางลูกบางคนพอเรียนขึ้นใหญ่ขึ้นมาก็ชักจากกระหลงห้องแหง ดูถูกพ่อแม่ของตนเองสรุปแล้วก็คือลืมลืมกรรมพืชของตัวเองลืมตัวเองก็มีไม่น้อยเหมือนกันลูกบางคนนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าลูกที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาจ่องระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ได้มากถาวาลูกคนไดโง่คนโง่ไม่ได้คิด จะระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ไม่ได้นี่แหละอันนี้ให้พวกเราสังเกตถ้าคําว่าผู้ใดเป็นผู้มีปัญญาจะต้องระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณสําหรับเราเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกคนเมื่อเรามีพ่อแม่อย่างวันนี้แหละวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแม่แห่งชาติพวกเราไปทําการงานณสถานที่ใดกันรวมกันมามาก็มาถาม ไทยสารถุสุกดิบของพ่อแม่ของเราว่าพ่อแม่ของเราเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงไปหาหมดหาหมอเป็นยังไงเสื้อผ้าของใช้ปัจจัยสี่อันไหนบ้างที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องพวกลูกทั้งหลายเขาจะได้ช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันปรับปรุงหรือว่าช่วยกันทนุบำรุง พ่อแม่ของตนเองถ้าหากว่ามีรมสมบูรณ์อยู่แล้วทางด้านปัจจัยสี่ก็ยังขาดความอบอุ่นทางด้านจิตใจพวกเราควรจะหมุนเวียนกันเมื่อไปทางานใครว่างอออมุงใครจะขึ้นไปเดือนนั้นใครจะขึ้นไปเดือนหนึ่งต้นปีกะต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดกันไว้ทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะว่า พ่อแม่ของเราเมื่อเท่าแก่ชราแล้วก็ต้องพึ่ ง, า พ, งพาอาศัยพวกลูกๆถ้าว่าลูกของเราปล่อยปาะละเลยพ่อแม่ก็เสียกำลังใจท่านก็อย่างว่าอีกเหมือนกันนั่นนะท่านก็จะต้องห่อเหี่ยวจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจไม่ได้รับความอบอุ่นกับลูกๆสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องคิดและก็พร้อมกันอีก อันไหนมันมาจากไหนหลวงพ่อเขาบอกว่ามันมันต้องมีเหตุซะก่อนนะลูกหลานะมันต้องมีเหตุซะก่อนมันต้องมันจึงมีผลแต่สําหรับพ่อแม่ของเราบางคนคงเหมือนกันไม่ได้ใส่ใจพ่อแม่ของตัวเองเหมือนกันพอออกมาจากครอบครัวแล้วก็นมาอยู่กับลูกๆไม่ได้สนใจกับพ่อแม่เพราะนั้นลูกของตัวเองเกิดมาพ่อเกิดมาเนี่ยก็ ไม่ได้ใส่ใจกับตนเองเหมือนกันเราจะตำหนิใครเพราะนั้นพวกเรานะได้ฟังเสียงหลวงพ่อเนี่ยแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเนี่ยลูกหลานเอ้ยมาถึงจุดของเราแล้วพวกเราควรจะตั้งต้นใหม่ก็คือเมื่อไปทำการทำงานที่ไหนเราควรจะดูแลพ่อแม่ของเราคือตั้งต้นใหม่อย่างที่หลวงพ่อพูดในพรรษานี้ก่อนพันษาหลวงพ่อได้พูดในพันษาในเดือนแรก ให้พวกเราตั้งต้นใหม่นะลูกหลานนะถ้าว่าพวกเราแต่งงานมีลูกสองสามคอาทิตย์แรกเราพาลูกชายลูกสาวตัวลเล็กๆของเราเนี่ยไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายมีอะไรเกิดร้อนอะไรมีอะไรจะให้พวกผมช่วยเครื่องจัดตุกปัจจัยเงินค่าเป็นอยู่ค่าอยู่ค่ากินที่เราจะช่วยเหลือได้เจียดให้พ่อแม่ พาลูกไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายพอวันอาทิตย์ก็พาลูกพาเมียไปเยี่ยมพ่อปู่แม่ยา่าพ่อเที่ยวเยี่ยมพ่อทังสามีบอกปูย่ย่าแล้วก็ไปถามไทยอีกเหมือนกันให้ความอุปุ่นทั้ง2ฝ่ายทั้งพ่อตาแม่ยายทั้งปูย่ย่าพาลูกไปแล้วอาทอาิตย์ที่สองพวกเราจะไปช้อปปิ้ง ห้างสปปรรพสินค้าเราไปตีก๊อปไปทํางานอะไรก็ได้อาทิตย์ที่สองพาลูกไปอาทิตย์ที่สาเราก็พาไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีกอย่างเก่าอาทิตย์ที่4ี่เราจะไปซ็อปบิ้งก็ได้ถ้าเรามีวินยัยหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องทำํำลงพ่อว่าจะทําอย่างนี้เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยลูกของเรา ให้รู้จักพักคุณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายในเมื่อเขามีครอบครัวต่อไปภายภาคหน้าเขาจะต้องลําลึกถึงว่าเออสมัยเมื่อเราเป็นเด็กพ่อกับแม่ของเราเนี่ยพาไปเยี่ยมคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะเพราะฉะนั้นพวกเราพ่อแม่ของเราเท่าแก่ชราแล้วพวกเราเอาไปยังไงกันควรจะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของเรานะนี่นแหละเมื่อเราปลูกฝังอุปนิสัยลูกของเรา อยากจะให้ลูกของเราดีเราก็ต้องทำดีให้ลูกของเราดูก่อนเป็นตัวอย่างเนเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมทุกทุกท่า น, นมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงเพราะเหตุใดพเพราะเมื่อเท่าแกชา่ชราพ่อแม่จะพึ่งพาอาศัยใครถ้าไม่พึ่งพาอาศัยลูกถึงท่านจะใจแข็งปากแข็งก็เถอะนะเออถูจะไปไหนก็ไปนะ้าไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับขานะ แต่ที่ไหนได้ในใจลึกๆแล้วเนะ่ยโอ้ข้าเนี่พูดเกินไปหรือเปล่าข่าด่าเขามากเกินไปหรือเปล่าท่านก็เสียใจอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้พวกเราสังเกตดูตัวเองก็แล้วกันนี่แหละอันนี้คือการเป็นอยู่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วนะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบคือตอบแทนในการเลี้ยงเหมือนเมื่อเลี้ยง อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเราพ่อแม่เป็นบุพายาจารย์เป็นอาจารย์ของคนแรกของบุธธรตรทิดาเรียกว่าเป็นบุพากาลีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนแล้วเราจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาอย่างไรกับพ่อแม่ของเราเนี่แหละอันนี้บอกเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุล ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนชาวพุทธนะเราตถาคตเป็นพุทธะข้าพรเจ้าไม่ลืมเราตถาคตไม่ลืมพระคุณของมารดาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประสูต มาเจ็ดวันในพระมารดาก็สวรรคตออพอสวรรคตท่านก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดูสิตนะเมื่อพระพุทธเจ้ายังเยาว์วั ย, ยวก็ได้มีพระมารดาคือพระมารดาเลี้ยงก็คือนางโคตมีที่เป็นน้องสาวของออนางสิริมห า, มายาจากนั้นนางโคตมีก็ได้ดูดูแล เพระพุทธเจ้าของเราคือศีรษะสมัยยงชงเยาว์จากนั้นพระองค์ก็ได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้อของราชาจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงผนวดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่ า, าท่านไปทรงผนวดอยู่หนีออกจากเพียงวังไปบวชอยู่ในฝั่งแม่น้ําอโนมาณถีไปทดลองการศึกษาไปการในการบวชถึง6ปี จากนั้นเมื่อพระทองค์ได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนธจากนั้นพระองค์ก็ได้ประกาศพระาศาสนาแนะนําสั่งสอนปวงประชาเอ่ออภิธรรมคําสอนประกาศทาคําสอนของพระพุทธเจา้าทนทั้งหลายเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเอ่อเป็นส่วนมากจากนั้นพระองค์ก็ได้วางวางรากฐาน ตามหัวเมืองต่างๆมีวัดวาศาสนาวัดป่าเวรุวันวัดป่ากรุงสาวัตถีวัดป่าเชตะวันมหาวิหารตามให้จริงในหัวเมืองต่างๆก็มีวัดขึ้นมาจากนั้นพอเป็นรากฐานพระพุทองค์ก็มองว่าโยมมารดาของเราอยู่ที่ไหนท่านก็มองเห็นว่าเนี่ยโยมมารดาของพระองค์พระพุทธองค์อยู่สวรรค์ชั้นรุสิตอ่า จากนั้นพระองค์ก็เออเราจะขึ้นโปรดโยมพระมารดาจากนั้นในพรรษานั้นพระองค์ก็ขึ้นไปบนสวรรค์ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงโยมมารดาของพระพุทธองค์ที่เป็นเทวบุตรลงมาจากชั้นดุสิตลงมาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ชั้นดาวดึงสวรรค์จากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงธรรมเทศนาถึงสมเดือนเออสเดือน คือพ ร, พระพุทองค์ใช้อิทิลิเนีอิทิลิศคือพุทธนิมิตเหมือนพระองค์นั่งอยู่เนี่ยเพราะว่าเทวดาชั้นต่างๆอย่างชั้นจาตูมนีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคือหนึ่งสวรรค์ชั้นจาตูมไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นก็คือท่านโพูดในพระไตรปิฎกนะ ถ้าพวกเราอยากจะรู้ก็ทำคุณงามความดีก็แล้วกันตายแล้วไปเกิดจะรู้ได้ว่าเออใช่พระพุทธเจ้าพระาราหันแตษาวกท่านพูดจริงว่ะแต่ว่านี่คือเราพูดตามพระไตรปิฎกนะที่ท่านได้พูดเอาไว้จากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปอยู่เทศนาอยู่ชั้นดาวดึงคือชั้นพระอินเทวดาทั้งหลายมาฟังธรรมเทศนามากมายแต่พระองค์ก็นั่งแสดงธรรม ในบรรลังแต่พระองค์ใช้อิทธิฤทธิอิทธิฤทธิอย่างไงคล้ายๆกับเทวดาทั้งหลายมานั่งฟังเต็มไปหมดพระองค์กเทศเทศอภิธรรมแสดงอภิธรรมนะแสดงอภิธรรมให้แก่เทวดาทั้งหลายขึ้นไปโปรดมารดานพระองค์แสดงพระอภิธรรมให้แก่เทวดาแต่พอ ตอนกลางตอนเช้าเนะี่ยพระองค์ก็มีธาตุเหมือนกันใ่ไธาตุสี่ดินน้ำโลภไฟเหมือนกันละเหมือนกันเนี่ยพวกเราท่านทัน้งหลายท่านก็มีหิวเหมือนกันใช่ไหมแต่พอตอนช้ามาพระองค์ออกไปบิณทบาทนู่นไปอีกประเทศทวีปหนึ่ง ไ, ไปบินทบาททวีปหนึ่งฉันฉันเลขึ้นไปคล้ายๆกับในขณะที่ลงไปเนี่ยท่านนิรมิตรพระพุทธลูปเนี่ยเหมือนกันพบพระพุทธดุลย์นั่งแทนเทศเทศเทศเทศจะให้เทศเรื่องอะไรเหมือนกัน เราเอาไอ้ MP 3ไว้เลยก็ไนดนะ้เทศอย่างงั้นแหละพระองค์ก็เทศเทศจบแล้วก็พอชันพัะทหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ขึ้นไปเข้าไปกับเทศแต่ว่าเทวดาไม่รู้หรอกว่าที่นั่งอยู่นั้นอนะ่ะคือเป็นพุทธนิมิตเทวดาไม่รู้เพราะเทวดาอิทธิฤทธิ์มีน้อยกว่าพุทธนะเพราะพุทธเจ้ามีอนุภาพมากกว่าอย่างนั้นท่านเทศถึงสมเรือนเลยทีนี้โปรดพระมารดา ธรรม a n d กนน็นั่งฟังนั่งฟังพระพุทธเจ้าในสมเดือนเอพราะเหตุอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเทวดาชั้นดาวดึงร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับชั้นจาตุมยามาอีกดาวดึงอีกมันคล้ายๆว่าบวกบวกเข้าไปคล้ายๆว่าเทวดานั่งฟังเพียงแป๊บเดียวสมเดือนถึงสเดือนแหละยังไม่ขยับไปนั่งฟังเพียงแป๊บเดียว แต่มนุษย์ของเราเนี่ยพลิกแล้วพี่อีกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาฟังฟัง m อ3หลวงพ่อกลางคืนเพียงเพียงไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยพวกเราก็บลนแล้วโหหลวงพ่อเทศยาวแล้วเกิดฮะแต่าไม่จริงเทวดาวนั่งจังสามเดือนนะพวกเราท่านทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าไปโปรดอยู่ชั้นดาวดดวันหนึ่งพะพุทธองค์เทศเทศอภิธรรมอภิธรรมนีนคืออะไรคือเทวดาวไม่มีไม่มีธาตุสี่ ไม่มีร่างกายธาตุสีคืออะไรดินน้ําลมไฟเราในพวกร้อนเป็นมนุษย์มีธาตุสี่นะดินน้ําลมไฟดินคืออะไรคือกระดูกดินน้ําคืออะไรน้ําเลือดน้ําปัสสาวะเลือดถาดน้ําถาดลมกลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ธาตุลมธาตุไฟก็คือทําให้ร่างกายอบอุ่นถ้าคนตายไปถึเย็นเฉียบเน่ยแปลว่าธาตุไฟมันมันดับนี่แหละคนเราเนี่ยเป็นอยู่ด้วยธาตุสี่ถ้าธาตุสี ประสานสมัครคีกันคนเราก็อยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งอ่อนแอลงไปนะคนเรานี่ก็หาความสุขไม่ได้แต่เทวดาไม่มีธาตุสี่มีแต่วิญญาณมีแต่ตัววิญญาณแต่ทิลิมิตเป็นรูปร่างเป็นกายเทปอะไรเป็นเทพทั้งหมดพระองค์กจะยกว่า เกสาผมโลมาขนนะคะเล็บก็ไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเทศกระพนุษย์ท่านก็เทศอีกวะกุสลาธรรมมาอกุสลาธรรมมาอัพยาคตาธรรมมาเนี่ยอันนี้คือสวดสอนอภิธรรมแล้วนะทินสอนเทวดากุสลาธรรมมาจิตที่เป็นกุศลฮ้ความคิดที่เป็นกุศลอันไหนที่เป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละคือจิตคิดไปในกุศลอกุสลาธรรมมาใจที่คิดไปในทางบาป คิดโลภอยากได้ของเขาคิดพยาบาทเขาเทวดามันก็มีหัวใจใช่ไหมคิดเห็นเห็นเขาเหนือกว่านี่ยคิดอิจฉาเขาเหมือนกันนะถ้าอิจฉามากไม่ได้นะบาปเข้ามาครอบงําตกจากสวรรค์อีกเหมือนกันนะถ้าอิจฉาคนอื่นนะอัพยากตาธรรมมาแปลว่าเป็นกลางกลางจิตไม่เป็นบาปจิตไม่เป็นบุญจิตเป็นกลางๆงไม่ไม่เวียงไปทางโน้นไม่เวียงไปทาง น, น, งางนี้แล้วอัพยากตาธรรมมาต่นี้ก็ท่านก็ที่บายเลยตอนี้ แยกขยายออกไปละจิตที่เป็นกุศลก็คืออะไรกุศลาธรรมะมจิตที่เป็นอกุศลนั่นคืออะไรนี่พระองค์อธิบายให้เทวดาชั้นสวรรค์ฟังทั้งสมเดือนนี่นว่าไปโปรดเทวดาอยู่ชั้นสวรรค์จากนั้นก็ได้ถึงกําหนดพระองค์ก็ออกพรรษาแล้วก็ลงมาเดินลงมามาเมืองสังกัสานครพวกมนุษย์ทางหลายก็ไปคอย พระพุทธองค์อยู่ที่เมืองสังกัสราพอก่อนพุทธองค์จะจะขึ้นไปพระองค์ก็บอกว่ า, วาเราจะลงสะเสด็จลงมาที่เมืองสังกัสานครพี่น้องประชาชนก็คงจะไปกลางตรงกลางเต้นแหน่ตัง้ต ง, งขนมขน้ำ เ, เลี้ยงกันอยู่นั่นคอยคอยเฝ้าคอยรอรับพระพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จลงมาจากสวรรค์จากนั้นวันที่สเสด็จลงมาจากสวรรค์นี่ว่าวันตักบาดเทโว ไอ้ใครๆบอกพระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ลงมาแล้วก็รับปิณฑบาตกับเมืองมนุษย์แล้วกเหมือนกับใส่บาตรวันตักบาตรเทโวให้กับวันเทวดาพระพุทธองค์เสด็จลงมาจากชั้นสวรรค์นี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์ถึงได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขนาดนั้นท่านก็ยังไม่ลืมพระมารดาของท่านที่อยู่สันสวรรค์เพราะนั้นเรื่องหลัก ทำคำสอนของพุทธศาสนาให้ลูกหลานคณะสัตยาติโยมให้ฟังเอาไว้ว่าพระพุทธองค์ถึงจะได้ตัดรู้ก็ไม่ลืมพระคุณของพ่อของแม่ส่วนพมานพระบิดาก็เหมือนกันเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้ใหม่มาโปรดพระบิดาพระปริยุรญาติพระพุทธองค์พระเจ้าจุโธทนะทราบว่าลูกชายได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอยู่ที่กรุงราชคฤห์ ก็ส่งทหารไปแต่ส่งทหารไปพันหนึ่งไปยังไงก็ให้ไปนิมนต์พระพุทธองค์ด้วยนะให้กลับมาโปรดข้าพระเจ้ามาด้วยคือท่านเป็นจอมทัพเนี่ยก็ส่งทหารไปพอทหารไปแลยก็ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าบวชมดได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์หมดทั้งพันองค์ถึงหายเงียบลืมลืมพระเจ้าจุดโทธนาะได้เสวย ไว้ความสุขในการบรรลุพระอาหารหันต์แล้วนะลืมส่งพักออกไปอีกกองพลหนึ่งอีกพัน อ, อคนอีกไปก็ไปฟังเทศอีกได้สําเร็จอีกส่งไปอีกจนครั้งสุดท้ายได้ส่งกลุ่มหนึ่งขึ้นไปไปบอกคนที่ไว้เนื้อถึงไอ้ก็ให้บอกพระพุทธเจ้าจากนั้นพวกนี้ก็ไปไปก็ได้ฟังอีกสําเร็จเป็นพระอรหันต์อีก แต่ถึงยังไงก็ยังคิดถึงพระเจ้าจุดโทธนะที่สั้นสั่งเสียไว้อยู่พอออกพรรษาอากาศโปง่ปงๆแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้านี่กลัวจริงๆนะใครๆไม่กล้าพูดเพรางั้นแต่กลัวพระพุทธเจ้าเองกลัวอํานาจของเข้าไปกับพระพุทธเจ้าค่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าตินฟ้าอากาศก็เหมาะก็ไม่หนาวไม่ร้อนพระบิดา ก็หวังการเสด็จของพระพุทธองค์ยูพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ทรงพระเพตาพวกที่พระเข้ามาบวชที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะ เ, เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็บอกเออถ้าอย่างนั้นก็เอ้ า, งงา เ, ออเตรียมพร้อมนะก็ดีเหมือนกัรนะไปะไปเยี่ยมพระบิดา น, ะนี่นแหละพระสงฆ์ทหลายกันรวมกลุ่มกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันเลยเดิน สไมัมนั้นไม่มีรถลาอะไรเลยท่านไม่ได้นั่งอะไรเลยเดินไปประปุษฐ พ, พระบิดากรุงกระบินละพัฒน์พอไปถึงแล้วไปถึงกรุงกระบินละพัฒคนทั้งหลายลุ้มมาฟังประสิตทัฏฐมาแล้วอที่ท่านหนีไปทั้งหปีท่านเสด็จมาแล้วพอมาที่นี่ผู้เป็นผู้ใหญ่ก็ถามให้ง่ายไิทัฏะ อยูป้าอยู่ตรงเป็นไงสบายดีนะมีแต่ถามไอ้พวกน้องๆลงมาเออท่านปาเป็นไงสุขภาพของท่านดีไหมมีแต่ถามถามไถ่ยแบบโรคๆนะแต่อันนี้ไม่ใช่จิตถ่ายไม่ใช่เป็น เ, ออเป็นโรคๆอยู่แล้วเป็นพุทธะนะเป็นพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่โรคๆหรอ ก, กพระองค์บอกญออาติของเราเนยยังไม่รู้ว่าเรานี่คือใครฮ เรานี่คือใครเราไม่ใช่เป็นญาติของพวกเขาเหมือนแต่ก่อนนะ เ, เขาจะถือแบบเราเป็นญาติญาติอย่างนั้นไม่ได้จากนั้นพระองค์ก็แสดงอิทธิฤทธิ์เลยแค่นะั้การว่าจะโปรดญาติโปรดญาติไม่ใช่จะโปรดธรรมดานะีบอกหลวงพ่อยังบอกพระผมจะไปโปรดไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปพูดธรรมะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเออทานเลยเไปโปรดพ่อโปรดแม่โปวดญาติมันไม่ใช่ธรรมดานะ โดยมากลูกหลา น, นที่เป็นสาวๆะจะโปรดท่า น, นเดี๋ยวท่านก็จะได้นั่นแหละ่เขาจะโปรดท่านนะนะที่ท่านที่ท่านจะไปโปรดเขานขนาดพระพุทธเจ้าท่านต้องแสดงฤทธิ์นะท่านนะจากนั้นพระองค์ก็เลยแสดงฤทธิ์เลยอิทธิฤทธิ์ปันดานให้ฝนโบกกระพัตตกลงมาสีเหมือนน้ำน้ำสีแดงเหมือนเฮลิบอยน่ะ ก็ว่าสีน้ําเหมือนน้าคลั่งฝนลงมาจากอากาศเทลงมาใครอยากจะให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากจะให้เปียกก็ไม่เปียกฝนอันนั้นอ่ะแปลกเนี่ยพระพุทธองค์แสดงอิทธิฤทธิ์จากนั้นพวกพระประยุร ญ, ญาดเลยเตลึงเหรอโอ้ โ, โไม่ใช่ธรรมดาแลอวสิทธิ์ทัของเราเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์จากนั้นก็นสยบเลยจะเนี่ยสยบคล้ายๆกับไม่ใช่ธรรมดานะ จากนั้นเราฟังพระองค์ก็ได้แสดงเรื่องพระเวชชันดอนในการให้ทานเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องปฏิบัติเนคขมมะคือนักบวชที่สมัยพระเวชชันดรไปบวชจากนั้นพระบิดาก็ได้สําเร็จพระโสดาบันพระโพธยุรญาตทั้งหลายก็ได้ต่างคนก็ต่างได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพื้นฐานจากนั้นก็ไม่มีใครนิมนต์พระพุทธเจ้าอีกเลยพอเสร็จแล้วก็เอา้ากลับไป เอาพระพุทโไปพักที่ไหนไปพักที่ลงคําทุกวันก็คงจะไปศูนย์ศิลกิจลักษณะอย่างนั้นเป็นที่พักใหญ่ของแขกบ้านแขกเมืองนะพระสงฆ์ก็เลยไปพัก เ, เสร็จแล้วก็ตอนเช้ามามไม่มีใครนิมนต์พระพุทธองค์กลับไปบินทบาตทกับพระสงฆ์ออกไปบินทบาตทอพอไปอินบินทบาทนะคนทั้งหลายพวกเสนาอัมมาท์ทั้งหลายเลวิ่งไปหาพระเจ้าจุโถทนะโอ้พระเจ้าพระพุทธองค์ค่ะ สิทธาออกไปขอทานเนาะไปบินทบาทเขาไม่ว่าบินทบาตเนี่ยเาบอกขอทานเนี่ยไปหาขอกินเลยไอ้อพวกนี้กันวิ่งไปการาบพระทูลพระเจ้าจุดโทธนะพระพุทธเจ้าพระเจ้าจุดโทธนาเนี่ยได้จะผ้าสบายกับนั้นออกมาเลยว่างั้น อ, อไม่ได้แต่งชุดราชาตรงนั้นะ อ, อแบบมาแอบแบบมาจากที่นอนก็เดินออกมาเลยโอ้ยกมือไหว้ลูกลูกเอ้ย พระสงฆ์ขนาดนี้นหละทำไมพ่อเลี้ยงไม่ได้เลยเพ่อพร้อมที่จะเลี้ยงทำไมจะไปหาให้ขายหน้าพ่อขนาดนี้ไปหาขอทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างนี้ไม่ใช่ทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมไม่เข้ามาเวียงวังนะพระองค์บอกว่าอันนี้ไม่อาตมาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิทธะเหมือนแตก่ก่อนอาณาอันนี้เป็นวิสัยของพุทธะ เ, เรา อาตามาภาพเป็นพุท ธ, ธะต้องทําอย่างนี้อากับปริยาเรื่อการดําเนินชีวิตของพุท ธ, ธะต้องเป็นอย่างนี้พระบิดานะโอ้ทางนั้นก็ขอในมณฑลเข้าไปในเวียงวังทนะางว่ามีคนนิมนต์ไปเพราะพระพองค์ก็คงจะเข้าไปอันนี้ไม่มีใครนิมนตนะ์ฮะพระพธองค์ก็เดินไปบินเทาบาทตามปกติเพราะเวียงวังไม่ใช่ของพระองค์เรานี่แหละอันนี้ก็คือลูกหลานคณะสัตยาญาติโฉม ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนในจุดนี้นะหลวงพ่อก็ได้เล่าเล่าให้ฟังแต่พูดถ้าเล่าไปมา ก, กเดี๋ยวหลวงพ่จะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้เอาขานาเพียงแค่นี้ก่อนนะวันนี้น ะ, ะนี่แหละจะบแล้วก็คือพระพุทธองค์ไม่ลืมไม่ลืมมารดาไม่ลืมบิดาจากนั้นกับพอพระบิดาะจะสวรรคตะจะมรณาภาพเพราะป่วยอายุ8ปิบกว่าปี พระองค์ก็เข้าไปเทศตรงที่นอนของพระบิดาพระเจ้าจุโทธทนะไปกับพระอานนท์ไปกับพาาระร า, าหุลเสด็จเข้าไปในห้องนอนไปเทศแล้วพระพุทธบิดาก็ได้สํ า, า, รารสเร็จเป็นพระอรหันต์ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะพระเจ้าจุโธธนะนะจากนั้นพระองค์ว่าเออส่งพ่อถึงฝั่งแล้วถึงฝั่งพระนิพพานแล้วหมดแล้วถึงฝั่งแล้วจากนั้นพระบิดาก็ได้ ปรินิพานท่านไม่ได้สวรรค์นครนะเพราะถ้าว่าคนตายธรรมดาเนี่ยแต่เป็นพระเจ้าเป็นดินเว่าสวรรค์นครถ้าว่าพระเนี่ยเขมาละนาภาพแต่ผู้ที่เป็นเป็ น, ปนพระรหารแล้วเนี่ยท่านสิ้นใจและท่านตายเนี่ยเขาว่าปรินิพานคําว่าปรินิพานคำนี้คือพระรหารเท่านั้นจึงคําตั้งชื่อว่าปรินิพานได้นะเขามาชื่อปรินิพาน อนุปาที่เสส น, นิพานเนะีท่านเข้าสูงนิพพานแล้วนะีพูดได้คําเดียวแต่นอกนั้นจะเรียกว่านิพพานไม่ได้ทั้งหมดจะเป็นใครก็ตามนะแต่หลวงตามหมาบัวนนะี่ยวหลวงตานิพพานแล้วเนะ่ยเออได้พอหลวงตาเนี่ยเป็นพระรหันต์นี่แหละอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามนะพระบิดาพระมารดาของพระ อ, องค์เพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะให้มองดูพ่อแม่ของตนเอง วันพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะไม่ใช่จะให้แต่แม่นะต้องพ่อด้วยนะต้องของคู่กันนั่นะเวลาวันวันที่ห้าจะให้แต่แต่แตพ่อก็ไม่ได้ต้องให้แม่ด้วยนะเพราะเราเกิดมาทั้งพ่อทั้งแม่ต้องดูแลทั้งสองท่านนั่นแหะจึงถูกต้องจึงจะเป็นธรรมนะต่อในไปคณะสงฆ์อนุโมธนาให้พอ